เราสังเกตในพระพุทธศาสนาเราเห็นมีสักบทไหมที่ให้อภัยไม่มีไปลองหาเลยพระสูตรไหนที่บอกให้อภัยอยู่ในบทสวดมนต์หรืออะไรอื่นมีแต่บทขอโทษขอขอมาคือเห็นกินเลสความไม่ดีในตนเองแล้วนำไปสู่การขอโทษขอขอมาอันนี้ได้ เราสังเกตนะครับเวลาเข้าปรงอาบัตเนี่ยพระที่ต้องอาบัตผิดพระธรรมวินยัยก็จะเข้าไปหาพระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสเดียวกันแล้วก็จะบอกว่าท่านเจ้าข้ากับผมต้องอาบัตข้อนั้นข้อนีเอนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้พระอีกองค์หนึ่งก็จะถามว่าท่านเห็นหรือเห็นขอรับดีแล้วเมื่อท่านเห็นจงสำรวมระวังต่อไปเถิด ครับกับผมจะสำรวมระวังต่อไปอย่างเงี้ยไม่มีองค์ไหนบอกว่าข้าพเจ้าให้อภัยบาป ท, ท่านชงหลายไม่มีหรือแม้กระทั่งเราจะเห็นบทแผ่เมตตาบทอะไรอนันเราก็จะมีการขอขอให้เขาไม่เปลี่ยนเปลนขอให้ใจทั้งวงเป็นสุขขอให้ไม่มีเวรเราจะขอ การขอให้คนอื่นไม่บิดเบียนไม่มีเวรและเป็นสุขคือความรักฟังให้ดีนะมันคือความรักการขอคือการเห็นโทษเห็นภปยเห็นเวรของตัวเองในการขอเข้ามาเราเห็นความผิดของตนว่ามีความด่างพร้อยมีความไม่ดีแม้ตนจะยังไม่มีแต่อาการแห่งตนที่เกิดขึ้นนั้นมีและเราเห็นเราไม่โทษใครเราไม่โทษคนอื่น โทษได้ยังไงถ้าเราไปโทษคนอื่นก็คือการตัดสินว่าเราดีกว่าเขาสยเขาแย่กว่าเราก็เลยมีถูกมีผิดเราสูงส่งกว่าเขาเังนั้นตอนที่เรากราบขอขามาพระนัฏไตเราจึงพูดว่ากายเยนะกายยายวเจตสาวาพุทเทกุกมังปะกปังไม่หยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจิยังตังการันตเลสังวริตุงวพุทธ ข้าพเจ้าขอขมาพระพุทธเจ้าที่ประมาทพลาดพั้งด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าจะสำรวมระวังต่อไปนี่คือคำแปลขอขมาได้แต่ให้อภัยไม่ได้อาจะให้อภัยคือให้ความรักและความสมนึกรู้ขุนทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะเรารักลูกแระเงินไขลูกทำผิด ลูกมาขอโทษแม้ปากจะพูดว่าให้อภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายิ้มยิ้มด้วยความรักยิ้มด้วยความรักและก็อนุโมทนายินดีกับการสำนึกรู้คุณของลูกเราไม่ได้ให้อภัยลูกทำผิดลูกไม่ไปโรงเรียนเกเรอยู่มาวันหนึ่งเขาสำนึกตัวได้มากลาบขอโทษเราขอกลับไปเรียนหนังสือเรายิ้มลูกหัวเขาบอกขอเข้ามาแนะแม่ได้ทําให้แม่เสียใจแม่ปากเราจะบอกว่าเออแม่ให้อภัยนะลูก ไม่เป็นโทษ่วเป็นไปเป็นเวนหรอกแต่ใจจริงๆไม่ใช่การอภัยเรากับรู้สึกรู้สึกอนุโมทนาขอบคุณยินดีกับลูกที่ลูกเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ความรู้สึกสภาวะธรรมคือเรื่องนี้และเราเองก็รักลูกนะครับทิ้งที่เราให้นั้นแม้คําพูดจะพูดว่าให้อภัยแต่จริงๆก็คือความรู้สึกรักมาใถึงตรงนี้ให้ได้นะ ใครที่ยังบอกว่าให้อภัยแล้วเนี่ยให้อภัยพ่อแล้วมาถามว่าถ้าพ่อมาหยุนอยู่ตรงนี้เนี่ยกอดเขาได้ไหมกระตือรือร้นเราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เอ้าไหนบอกให้อภัยไงทําไมทําไม่ได้เพราะมันอภัยความคิดไงเอาเข้าจริงมันไม่หลุดเัินอยู่ในห้องทีออฟไลน์แล้วต้องฉลาด ที่จะปลดล็อกตัวเองให้ลึกขึ้นกว่าความคิดคือเข้ามาสู่จิตวิญญาณของตัวเองให้ได้คอยอให้ตั้งใจฟังและทําแบบฝระหลัดในเรื่องของการเพิ่มระดับเห็นความรักที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณในรากส่วนลึกจริงๆนะครับให้ตั้งใจทํามันจริงๆแล้วมันจะปลดล็อกที่เราได้เราปลดล็อกที่ตัวเราเองได้จะเป็นแสงสว่างไปที่คนอื่น คนในครอบครัวต่างๆก็จะได้ประโยชน์เพียงเพราเราปลดล็อกตัวเองได้นี่แหละ